มีจิตนั่นะเป็นใหญ่จิตนั่ะพาวิ่งพาว่อนพาท่องเที่ยวไปมาพาให้เดือดร้อนเป็นทุกข์ก็เพราะจิตนั่นแหละถ้าเรารักษาสำรวมจิตเห็นน่เป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายแล้วก็หยุดเสียมันก็ได้ความสุขเท่านั้นเอง ที่เราไม่รู้จากเรื่องของจิตเราไม่มีสติรักษามันยังสงสัยหาเรื่องทุกข์ต่างๆจงกระทั่งมันทุกข์แล้วยังคอยรู้เรื่องมันสุขแล้วยังคอยรู้เรื่องของจิตในเวลาที่มันสงสัยอยู่นะั้นไม่รู้เรื่องของมันเลย <c oughs> ถึงว่าจิตอันเดียวเท่านั้นะที่จะต้องรักษาการภาวนาทั้งหมดก็ามารวมที่จิตนี้แห่งเดียวรักษาเดียวเท่านั้นละให้รักษาจริงๆอิงจรงจังในเวลานี้เราจะนั่งสมาธิเวลานี้เราจะฟังเทศเวลานี้ะเราจะสํารวมจิตให้อยู่ใน ขอบข่ายของสติสติเป็นคนคุมเมื่ออยู่ในขอบข่ายของสติแล้ว้งหมดเรื่องกันสติคือผู้ระลึกถึงจิตอยู่เสมอเสมอนั่นเรียกว่าสติของระลึกได จิตคือผู้คิดผู้นึกผู้สงสยัยอาการมัเป็นอย่างนั้นเรียกจิตอาการมัเป็นอย่างนั้นเรียกว่าสติแต่แท้ที่จริงก็อันเดียวกันนะ่นะถ้าไม่มีจิตมันก็ไม่มีสติถ้าไม่มีสติมันก็ไม่มีจิตแต่มันเป็นอาการคนละอย่างกัน หน้าที่คนลอันกันสติเหมือนกับพี่เลี้ยงจิตเหมือนกับูปอ่อนควบคุมรักษาอยู่ตลอดเวลาลูกที่รูปอ่อนที่มันชุบชดพี่เลี้ยงต้องระวังอย่างเข้มแข็งถ้าไมายงั้นก็น หลุดพัดโผลไปตกไปถูกของแข็งแล้วไปตกในที่ลุ่มทำใม้เจ็บได้ <c oughs> ถึง <c oughs> ยังไงยังไงก็ต้องรักษาสติตัวเดียวเท่านั้นที่เรียงต้องรักษาอยู่ตลอดเวลากลัวที่จะพ้นอันตรายได้ มันใช้เวลานานหน่อยเราเลี้ยงเด็กก็ตั้งหลายปีกว่าจะเติบโตขึ้นมาได้ถึงเติบโตขึ้นมาแล้วก็ต้องสามัดระวังสิ่งอื่นเช่นมันซุกซนอะไรวิ่งเล่นอะไรต่า ง, างต้องสามัดระวังแต่ไม่จําเจมันก็ยังเป็นเด็กอยู่ ระวังตลอดถึงมันใหญ่โตขึ้นมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ต้องระวังอยู่ตลอดเวลาเมื <c> ่อ <oughs> ทำชั่วพูดผิดสติจะเน้นใช้อยู่ตลอดเวลาใช้ตั้งแต่เด็กคุณกระทั่งเติบโตใช้ตั้งแต่สติผู้คิดที่แรกกว่านะผู้คิดผู้นึกที่แรกกว่านะ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 จิตกลายเป็นของมีตัวรักว่าเห็นชัดเลยจิตอยู่หรือจิตไม่อยู่จิตวิ่งว่อนเที่ยวไปในที่ต่างๆเห็นยุตชัดเลยทีเดียวเป็นตัวตนแท้ทีเดียว <c oughs> ขณะรักษาจิตได้แล้วควบคุมจิตได้แล้ว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 อ <c oughs> ย่างนี้เราไม่เข้าถึงตรงกลางตรงนั้นจึงใครละทุกไม่ได้สิ่งที่ทุกข์ก็เดือดร้อนวุ่นวายสิ่งที่เป็นสุขก็เพลิดเพลินรุ่มหลงไม่เป็นกลางลงไปได้สักทีถ้า ถ, ถึงตรงกลางแล้วนั้นมันเป็นทุกข์ ก็รู้จักทุกข์ก็ปล่อยวางทุกข์ได้มันสุขสบายก็ไม่หลงเคลิ่เพิื่อนมัวเมามันก็เป็นกลางกลางอยู่นั้นมันไม่สุขไม่ือรอนุ่นวายมันเป็นทุกข์ <c oughs> สติตัวหนึ่งจิตตัวหนึ่ง สติควบคุมจิตเมื่อควบคุมแล้วได้แล้วมาเข้าเป็นใจถ้าเป็นใจตัวเดียวค่ะนี่ตัวใจนี่เป็นของสําคัญที่สุดจิตมันออกมาจากใจถ้ามันมีใจมันต้องมีจิตจิตอันใดใจอันนั้นใจในจิตอนั้นท่านก็เทศนาอยู่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 จิตที่ไอใจที่ตรงกลางกลางกนแนะไม่มีอะไรหรอกไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแล้วก็ไม่เกิดปัญญาตรงนั้นเอาไว้ซะก่อนให้มันเดียตรงกลางนะต่ก่อนเกืดอมาเกิอกระช่างของปัญญา <c oughs> ที่จะถึงตรงกลางได้มันใช้ปัญญาไม่เ่นอ้อย คิดค้นแต่งต่างทุกอย่างทุกเรื่องคิดค้นพอแรงแล้วนะ่ะมันตัวปัญญาจนันใช้มามากมายแล้วคราวนี้เมื่อใช้มันหมดทางแล้วมันมีที่ไปแล้วมันยังเข้าเป็นกลางตัวกลางนะันแต่คนเข้าใจว่าแต่คนเข้าใจหาว่าไม่มีปัญญา แท้แต่จริงปัญญาใช้มาบ้างมาแต่เข้าซึ่งตรงกลางแล้วก็เฉยอยู่ยงั้นเราอยากจะรู้จั ก, กว่าตรงกลางคืออะไรฮัดอย่างนี้ก็ได้ทดสอบทดลองดูกลั้นลมห้ใจสักพัดหนึ่งไม่มีอะไรหรอก มันเฉยๆรู้เฉยๆไม่คิดม่นึกแต่รู้สึกว่ามันไม่คิดไม่หนึกมันไม่ส่งไปส่งสายไปมาหน้าหลังไม่คิดถึงเป็นบาปเป็นบุญอะไรก็รู้สึกกันเนอะรู้สึกว่าเฉยๆน่ะตัวนั่นตัวกลางตัวใจแต่มันได้ชั่วขณะเดียว เมื่อเรากลั้นลมหายใจพอจับตัวมันได้เพราะตัวใจคือตรงนี้ห <c oughs> ลักานนี้มันออกไปถ้ามันสงสัยเป็นจิตคิดแล้วต้องตีควบคุมดูแลรักษาต้องชำะระสาส่งสิ่งที่เป็นบาปและอกุศล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 แต่เราตั้งสติกำหนดรู้ใจรู้รู้จิตเขามันเรื่องวันนิ่งว่านไปด้วยประการต่างๆมันชุกมันชนมันวิ่งมันว่อนรู้เรื่องของมันคำว่ารู้ในหมายความวันละทิง้งในสิน่งที่มันดีไม่ดีเมื่อละไปหมดแล้วมันก็กลับมาโลกกลางอันดี การหัดสมาธิภาวนาถ้าหัดอย่างนี้ได้บ่อยๆหัดอย่างนี้ได้เสมอๆไม่จะเลยเปิดปึงหลงไปตามจิตไม่มีสถานีไม่หยุดไม่หยอ่อนอยนั้นใช้ไม่ได้พิจรารณาจัหมดเรื่องหมดราวแล้ว ถ้ามันถูกมันกลับมาเองแล้มาเป็นใจเองหรอถ้ามันถูกถ้าไม่ถูกก็เลยเติกเปิดปืนไปใหญ่โตทานถึงอย่างไรขอให้ทำให้เข้าถึงใจอยู่เสมอเสมอความสงมบความที่เข้าถึงใจที่เป็นหนึ่งนะเป็นการดีมากถึงไม่ได้เปญญ็เยาเสพติด เอาเพียงแค่นี้เก่าแล้ก่อนเถอะเอาวนที่ความสงบนั้นให้มั่นคงถาวรแล้วมันจะเกิดมันท่างเกิดเองแล้วอย่ากลัวเลยกลัวว่าจิตมันจะไม่คิดไม่เนคไม่ปรุงมาแต่งมันคิดม่เนคไม่ปรุงไม่แต่งก็รู้เท่ารู้เรื่องมันอยู่ถ้าหากว่ามันเข้าถึงใจแล้ว ม <c oughs> ีการภาวนาต้องหัดอย่างนี้เราหัดพิพจารณานาป่าสติปฏิหัดเมื่อนาสติปฏิพุทธโธปฏิอะไต่างๆหมดก็เพื่ออันเดียวนี่แหละเพื่อให้เข้าถึงใจนะเพื่อให้คุมสติได้เข้าถึงใจนะถ้าหาว่าคุมใจไม่ได้จึงคุมใจมาอยู่ ใครก็เอาเถิดไม่เป็นผลประโยชน์อะไรเลยตัวงเราทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรมีจิตอเดียวเดียวของสำคัญอยู่ในตัวของเราคนมากมายมดทั้งโลกนี้ก็จิตตัวเดียวคนละคนคนละจิตคนละดวงอะดวงอะไรเน่ยมันวุ่นวายอย่านี้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 รักษาใจเราตนไม่ได้เองมีโรคโมโทสั่นสารพัดทุกอย่างวุ่นวิวุ่นวายเกิดจากใจนี้ทั้งนั้นแล้วใจมันได้อะไรแล้วโลคมันได้อะไรไปใส่ใจโลคมันไปกองที่ใจมันได้อะไรแล้วโทโทสะมันไปไว้ที่ไหนดังไปไว้ที่ใจมีไหมล่ะ โมหะค้มหลงออกไปว่าที่ใจมีไหมใจไม่เห็นมียุ่งมีฉางใสใจไม่เห็นมีตนมีตัวมันได้อะไรมีแต่เปล่ามีแต่ของว่างไม่มีอะไรเลยอันพูดที่ว่าได้นั่นะพูดที่ว่าดีนั่นะมันดีตรงไหนล่ะมันได้มาว่าดีละ ก็โหมดสารได้มาได้ว่าดีแหละโกรธก็ของคนนั้นคนนี้เห็นว่าตนวิเศษวิอสเมื่อตนดีมันดีอะไรวิเศษอะไรมีแต่กว้อเบื่อทอนวุ่นวายอย่างว่าเราได้ของเขามาอย่างเราโลภเขาได้ของเขาอยากได้ของเขาได้มาอะไรเราได้มนมีอะไรต่อในที่นั้น ได้มาอยู่มากินได้มาบริโภคใช้สอยใช้อะไรแต่กับตัวนี้แหละใช้มันใหญ่มันโตมันอ้วนมันผีขึ้นไว้แล่ตัวนี้มันก็ไม่เห็นมีอะไรไม่ได้แก่เท่าสมรสสมัย ท, ทุกวันไม่เห็นมีอย่างว่าโทษสามา ห, หน้าชิดชิเกิดขึ้นมาถือตนถือตัวถือ เราถือเขาไม่ยอมมาหน้าที่ดีเกิดขึ้นมาไม่ยอมกระด้างถือตัวนะมันได้อะไรเงี้ยไม่เห็นมีอะไรตัวนี่มันพองขึ้นมันโตขึ้นไหมตัวนี้มันดีวิเศษขึกว่าเก่าหรือมันเป็นคนสดคนสวยึ้กว่าเก่าหรือว่าเป็นอะไร ไม่เห็นมีสดสวยอะไรมิได้หน้าบึง้งหน้าเดียวมิแต่เป็นหน้ายักษนาแ ม, า น, มนอยู่ดีๆแค่ไม่ดีกว่าหรือโมหะความรุ่มหลงก็เช่นเดียวกันโมหนะนั่นคือว่ามันจะเกิดความโลภความหลงก็เกิดโมหะไ้ก่อนมีโมหะก็เกิดโลภโกรหลขึ้นมา กิจนาแล้วเห็นอย่างนี้แล้วมันมันหมดเรื่องก เ, เกันจะเกิดโมหะโทสะมานัตถิเตียไม่มีเลยเป็นของว่างเปล่ามดทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่เฉยๆจะไม่ดีกว่าหรือทําให้เข้าถึงใจตัวนั้นใจตัวกลางตัวนั้นเบิกบานสุขภาพก็พดี <c oughs> แล้วท็ไมมีเวรมีภยัยไปไหนต่มาครับแคบไม่ลกโลกของเขาคนโทษสามอาณาธิไตไปไหนมันโลกหมดไม่ยอมตนไม่ยอมตัวไปอยู่ที่ไหนมันครับบ้านครับเมืองหมด <c oughs> ให้พิจนรณาอย่างนี้แหละคันธาพิจาณาอย่างนี้ถูกทางแล้วมันจะเพอ ร, รวมพาเป็นให่เอาละพิจารณาเทฟังอุบายแล้วต้องนั่งสมาธิ่าวนามันยังจะเห็นผลฟังเทศทเฉยๆไม่ได้ทำ แม่ได้เป็นเตตาห น, นั่นเมื่อก็ไมาเห็นผลประโยชน์ศ <c oughs> าสนาสอนให้ทาไม่ใช่สอนให้ฟังตั้งใจทำนั้นทำเล็กทำน้อยก็เลยค่อว่าเป็นประโยชน์ในคือว่าถึงพุทธศาส <c oughs> นาการฟังเทศ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 ทางนั้นก็เอาที่ศานจะสร้างกุฏิถวายแต่ก็เลยสร้างกุฏิให้ตั้งสามาสิบโตลงมาุตองศาหลังสร้างกุฏิให้พระอยู่จำพรรษาแล้วก็หายเงียบปต่กเลยไม่ไปปฏิบัติพระมันลืดดได้เออ มณพระอยู่นะอยู่สามัสานะขาพอไม่ได้ไปเยี่ยมไปเยี่ยนได้จะยังนงล่ะสุขทุกข์นี้ก็ไม่ทราบไปเยี่ยนดูก่อนนะมันไปเห็นพะทันไปเยี่ยมท่านขานไม่เห็นพระอยู่สลาสักองเดียว <c oughs> จึงถามมุรุษคนหนึ่งที่ เฝาสลายอยู่ท่านไปไหนอ่ะท่านอยากจะเห็นท่านท่านอยากตีตะทงไอ้ท่านกับมาแล้วตีตะทางวัท่านกัมารวมกันดอกไตีตะทางเงเองท่านเลยมารวมกันมาจากที่ต่างๆก็่แปลกใจเอ๊ะคุณเจ้ามาอยู่ด้วยกันทะเลาะกันหนึ่ยังมาสนทิ์ตะทาง วนหน้ายังบอกว่าไม่ใช่ทะเลาะกันหรอกก็<ม>จะมาไปทําคุณเพียรอยู่คนละทต่ทางคนละแห่งกันจะเห็นงันไหแสกใจการที่ว่าทาภาวนากรรมฐานอย่างเคยฉันเท่าได้ไหมน้อย่างไร การพิจารณาความชินความเสื่อมของสังขารร่างกายคราวนี้แหละเรียกับาภาวนากรรมฐานถ้าไม่ในคำบริกรรมให้พิจารณาความชินความเสื่อมทานั่นแหละตั้งใจทำอะจะอยู่บ้านอยู่ช่องจะกระทามตั้งใจทำจริงจริงเลยจังเลยเป็นไป เกิดความรู้ความเข้าใจรู้เรื่องของพระทั้งหมดทั้งสาสิบองค์ท่านติส่งอะไรท่านต้องการอะไรท่านนึกคิดอย่างไรแกไปตามรู้หมดจัดจัดอาหารจัดยาให้ตอนเย็นกัจัดจัดยาให้ตอนเช้ากับจัดอาหารไม่ถูกต้องตาม คนต้องการขันมัดวงถ้งาแปลกใจที่ยายคนนี้ทำยังไงกันก็เลยคิดกลัวแกบางทีเราคิดไม่ดีไม่ได้อะไรต่างๆอยจะไปรู้เรื่อ ง, งกลัวแกคของสาเลยหนีมดัดจะหาก็เดียวกราบทูลโผง องบอกว่ามาทําไมกันไอ้ทํควาเปียนอยู่นั้นจะทําไมยังมาแต่โห อ, อยู่ไม่ได้เราแล้วอายอากกว่านั้นคิดโน่นคิดนี่อะไรต่างต้องการอะไรแค่รู้เรื่องรู้ราวมดทุกเสิ่งทุกอย่างเลยกลัวหนีไ ว, ว, ว้เฉยพอวันนั้นแล้วมันจะได้ความรู้ดีนั้นแล้วจะพิเศษที่สุดการเตี๊ยบ แล้วหยุดเจ้านะ ป, ปายกระต่ายชาเนี่ยตั้งสติรักษาจิตของเราละครจิตแนว่วแน่อยู่คงที่ในผลที่สุดก็ได้สำเร็จว่านี้ผ่านหมดทั้งสามจิตองคถ้าหยิบพวกหนึ่งเล็กงาขาวทีย่ยายคนนั้นเคยดีนี่ไปอยู่นั้น ไปสำเร็จมาคนนี้พานเรื่อง3ามสอยากจะไปอีกไปก็คิดไในอะไรต่างาจะรู้อีกพระอายสได้เวลาฟไปอีกมาหาองค์องค์บอกว่าไปอีกทีนั้นเนี่ยมันจะดีมันอยู่นั่นแหละมันจะดีตรงนั้นแหละ แต่ตั้งสตีรักษาจิตของเราเรามีความอายแล้ว น, นะมันจะดีกลับไปอีกเลยสันเดน็จเหมือนกันท่านไม่ได้ทำพฤติกรรมอะไรครบตอนนี้ขนาดความเสื่อมความสิ้นของสังขารร่างกายเกิดชึ้นว่าเสื่อมไปทุกวันทุกวันจนกระทั่งแก่ทั้งเฒ่ากระทั่งตาย เรียกว่าเสื่อมสิ่นไปเสื่อมไปสิ้ไ ป, ไ ป, ไปคนเราไม่จเจริญที่ว่าจเจริญเจริญ น, นั้นเข้าใจผิดของสมมุติของคนว่าจเจริญนั้นไม่จเจริญหรอกมันแก่แล้วหาตายเท่านั้นแหละจะอยู่ขันมันก็แก่ในขั้นไม่แก่มันก็ไม่คลอดพลอดออกมาแล้วมันจะแก่ไปทุกวันทุกวัน ระยะของมันเป็นหนุ่มเป็นสาวระยะของคนไม่ครอบพรัวคนเดียวเป็นอย่างนั้นะเป็นธรรมดาทั้งวั น, านาค น, นจริงมันแก่มันแก่ประหตัตประสาทไม่ใช่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ใช่ไม่เจริญเสมอมันเสื่อมไปทางนั้นเนี่ยท่านพี่นาอย่างนี้พีินายต้องเสื่อมตลอดเวลา มันไม่ประมาทคนเราจะเรียนนเสียนซื้อจะศึกษาจะเรียนจะทำโครงการโฆษณาจะทำาะไาหเพิยเลี้ยงชีพเองหลวงหมดเพียงจะสักแต่ว่าบำรุงร่างกายให้อยู่ไปมือวันเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรหรอกถ้าค้นหาได้มากๆก็เหลือไว้ใช้ไว้สอยทั้ ปัญหาเล็กน้อยกันเพราะอยู่เพรกินหมดวันหมดวันหมดหากินไปวันหนึงวันแต่เท่ากันนั่นแหละปัญหาแรงมากากินวันเดียว น, นั่นแหละกินมือ้อกินสอมื้อส ม, มื้อเท่ากับกาวในคนที่เคยฝ่าถ้องเก่าเน่ยเขาอิ่มแล้วแต่ยึดไม่ได้ไปไปเลื้อไหลหรอก <c oughs> วันนี้พิณาความเสื่อมเนี่ยสิณาความเส่อ ม, ม, อมผมคิดไปทัง้งทางกายทางกายท่านได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาเป็นเพราะนิสัยวาชนะของท่านต่างหากเราจะอยากได้ความรู้อย่างนั้นแต่ว่าเราไม่ทํามันจะรู้อย่างไงอยากรู้อย่างท่านอยารู้อย่างยหญ่เยทย่านั้นแต่าเราไม่ทํา ทำแต่ทำไม่ถูกมีแต่อยากอย่างเดียวทำก็เลยแต่อยากอย่างเดียววอมอย่างนี้นปกปิดรถคุ่มห่อไว้ไม่เห็นของจริง